สมุดฐานแห่งอาบัตห6ในหัวข้อเหล่านั้นสมุดฐานแห่งอาบัตห6เป็นไฉไหนคือ 1. อาบัตเกิดทางกายมิใช่เกิดทางวาจามจ umm ิใช่เกิดทางจิต 2. อาบัตเกิดทางวาจามิใช่เกิดทางกายมิใช่เกิดทางจิต 3. อาบัตเกิดทางกายกับวาจามิใช่เกิดทางจิต 4. อาบัตเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจาห้าอาบัตเกิดทางวาจากับจิตมิใช่เกิดทางกายหกอาบัตเกิดทางกายวาจากับจิตนี้คือสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐาน